ประวัติพระธรรมนิสสทิมงคลหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนเสนอตอนที่หกแม่สอนก่อนเข้านาสามมัดที่เคยแพ้และนาคบัวผู้สำซ้อหลวงตามหาบุญญาสัมปันโน ได้เล่าประวัติของท่านเอาไว้ว่าเริ่มแรกทีเดียวท่านพระครูได้เดินทางมาทำบุญประเพณีที่วัดในหมู่บ้านตาดคือบริเวณที่ตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในสมัยปัจจุบันนี้พ่อกับแม่ของเราจึงได้ฝากให้เราเป็นหน้าเตรียมของเดินทางไปพร้อมกับท่านในบ่ายวันนั้นเองก่อนไปด้วยความที่แม่เป็นห่วงยังเข้ามานั่งใกล้ แล้วกลาวรากระซิบกระซราบว่าบัวนี่แม่จะบอกนะลูกนะสำหรับลูกแล้วแม่ไม่มีที่ต้องติดในหน้านะที่การงานอันใดแต่เวลาลูกได้นอนแล้วหลับเมื่อคนตายถ้าแม่ไม่ปลุกแล้วไม่ถือลูกเลยออกไปดวดแล้วแม่ไม่ได้ตามไปปลุกนะลูกอย่าทำให้ขายหน้าแม่นะไม่ใช่ว่าพวกพระเนท่านไปบิทบาศในบ้านในมองกลับมาแล้ว ต้องไปปลุกท่านบัวมาฉันกันหนด้วยเพราะท่านยังนอนไม่งตื่นอย่าให้แม่ได้ยินคำคำนี้นะลูกนะแม่จะเอาหัวมุดดิ่งตายเราได้ฟังคำแม่พูดแล้วเราฟังเชยแต่จิตมันฟังลึกมากคือแต่ก่อนเราไปไหนแต่ เ, เช้าเช้าส่วนมากมีแต่บอกให้แม่ปลุกแล้วก็ล้มนอนตูเหมือนตายทอดอะไรหมดเพราะคิดว่าแม่จะปลุกไม่สนใจเรื่องการตื่นนอน พอถึงเวลาแม่ก็ปลูกเองแม่คงจะเห็นอย่างนั้นจึงเป็นห่วงในเวลาบวชเพราะผิดกับพี่ชายถ้าว่าพรุ่ง น, นี้เช้าให้แม่ปลุกแต่แม่ยังไม่ทันได้ปลุกเขาปรับตื่นเสก่อนไปก่อนแล้วนี้เป็นข้อหนักใจของโยมแม่แม่เอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณกับคนอื่นว่าแม่อยากให้เราเป็นผู้ยิงมเสเองแม่จะได้เบามือแต่นี่พ่อแสนสบายเพราะมีคนช่วยให้เบามือ ส่วนแม่ทุกจะตายเลิงตามมหาบูญานะสัมปันโนยังได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าที่โยแม่พูดก็พูดถูกแหละที่วิตกวิจารเวลาเราน อ, นอนเหมือนตายเข้ากันได้ที่ท่านสั่งเสียเราตอนเราจะไปบวชพอบวชแล้วเราก็เป็นจริงๆแพ้เสียสามหมัดเลยคือหมัดที่หนึ่งที่เคยแพ้นั้นก็คือ ตอนที่เราอยู่ที่วัดเกดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเพื่อนจะสอบเร่งดูหนังสือตีสองลุกขึ้นแล้วดูหนังสือเหนื่อยมากทีนี้ตีห้าก็นอนยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอริยาบทนอนยืดเส้นที่ายดัดเราทุกถีไม่ลืมนะเสียท่าก็ตอนนี้แหละมือเพื่อนเอาบิณฑบาตกลับมาต้องมาปลกเราไปฉันจังหันด้วยส่วนมาที่สองที่เราเคยแพ้นั้นก็คือ ตอนที่เราอยู่วัดใกล้สถานีทดลองจังหวัดจันทบรุรีเรานั่งภาวนาตั้งแต่ตีสามจนกระทั่งถึงเริ่มสว่างนกร้องจิกๆกแจ๊กแจ๊กคิดว่าจะยืดเส้นแล้วก็จะไหว้พระเสร็จแล้วถึงจะไปศาลาพอยืดเส้นแล้วหลับไปเลยแต่นี้ไม่นานนักก็ตื่นขึ้นมาท่านเพลงไปรออยู่ประตูแล้วหมู่เพื่อนไปบิณบาตกันหมดยังเหลือแต่สายของเราสายเดียวซึ่งอยู่ใกล้ ก็พอดีทันไปบินทบารและอีกครั้งคือมัดที่สามที่เราเคยแพ้นั้นก็คือในคราวนี้แหละคราวที่อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดตอนนั้นท่านสิงห์ทองไปเที่ยวทางอำเภอมุกดาหารจากกันไปดูเหมือนได้ภาษากว่านั้งท่านกลับมาคุยกันสองต่อสองไปเที่ยวทางมุกดาหารไปท า, ทางไหนทางไหนท่านก็นำมาเล่าให้ฟังคุยกันไปคุยกันมาเริ่มตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งถึงตีสี่ มันเพลินเพราะพูดถึงเรื่องวิถีของจิตความรู้ความเห็นของจิตที่มันอยู่ยังไงเห็นยังไงยังไงเดือนกรกาคมโอ้ยนี่มันจะสว่างแล้วเดือนมิถุนายนทีห้ามันก็สว่างแล้วก็เอาย่ามไปวางไว้ที่นอนแล้วก็ยืดเส้นสักนิดหนึ่งคิดว่าถ้าเสร็จแล้วก็จะไปเดินจงกลมเราเคยฝึกหัดอนาไม่ร่างกายเราตลอดนะยืดเส้นดัดเส้นทุกอย่างดัดท่านั้นท่านี้ พอตัดท่าสุดท้ายก็นอนงายยืดเส้นในที่สุดเลยหลับไปเลยหลับจริงๆนะไม่ทราบว่าหลับไปได้ยังไงมันเร็วขนาดไม่รู้ตัวเลยไม่ใช่ธรรมดาท่านสิงห์ทองท่านก็ไม่นอนเพราะไม่ใช่เวลานอนแล้วพอเช้าท่านก็ไปบินธบาดกลับมาแล้วเราก็ยังไม่ตื่นยังยืดเส้นหลับอยู่ท่านั้นนะท่านสิงห์ทองต้องไปสะกิดนิ้วเท้าปลุกเราไปฉันจังหันปุ๊บปับลุกขึ้นมา ผมขโมยหลับนี่นาเราก็ว่างั้นดัดเส้นมันไปใหญ่ตั้งแต่บวชมามีสามหนสามมัดที่เราเคยแท้เราไม่ลืมนะเสียท่ามันแท้มันตรงไหนก็ต้องนำมาบอกก็มีสามมัดนี่แหละที่เราเคยแท้องค์พระลุงตามาหาบัวยาณสัมพันโน ยังเล่าประวัติของท่านก่อนที่จะออกบวชเป็นนาคบวัวผู้สอนซ่อเอาไว้ว่าตอนที่เราเป็นนาคเรานอนอยู่หน้าโบสถ์กับเพื่อนนาคด้วยกันสามคนส่วนท่านพระครูวัดโยธานิมิตท่านจำวัดอยู่หลังพระประธานทุกเช้าตอนตีสี่เราเห็นท่านลงมาเดินจงกรมเป็นประจำท่านจริงจังมากทีเดียวพอสว่างก็กลับเข้ามาทำวัดทำวัดเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตเราได้เห็นท่านเดินจงกรม อินกราเรียนถามท่านว่าอยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งภาวนาจะ ต, ต้องทำอย่างไรบ้างบริกรรมภาวนาพุทโธสิเราก็บริกรรมภาวนาพุทโทธท่านว่าอย่างนั้นแล้วท่านพระครูท่านก็เดินจงกรมเดินจงกรมอย่างไงเราถามท่านท่านตอบว่าเราก็เดินบริกรรมพุทโธนั่นนะแล้วท่านพระครูนั่งภาวนาสวดมนต์หลายอ๋อเราสวดมนต์หลายบทหลายสูตรท่านว่าอย่างนั้น ทางเราก็จับใจความได้ทันทีเลยและก็นำไปทำทีนี้พอถึงวันที่เราจะบวชพวกนาคทั้งหลายเขานุ่งเขาแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยเราก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะบวชในวันนั้นเช่นกันท่านพระครู ว, วัดโยธานิมิตท่านเดินเข้ามามองเห็นเราแต่งชุดนาคซอมซ้อจิงดุเอาทั้งพ่อทั้งแม่ท่านว่าเอาแบบเจ็บเจ็บแสบเลยแหละท่านตวาดเอาอย่างแรงว่าดีแพงสี บัตทองดีสูไม่มีเหรออะไรอะไรสูก็ไม่มีเหรอดูสินาคบัวเดินอยู่ในวงของนาคทั้งหลายสมซ้ออยู่นั้นสูเห็นไหมไม่มีสง่าราศีอะไรเลยพวกที่จะมาบวชนาคทั้งหลายเขาแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามหน้าดูหน้าชมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ดูนาคบัวสิแต่งตัวสมซ้อถ้าสูไม่มีเงินกูก็จะหามาให้ท่านพระครูท่านว่าอย่างนั้น พอท่านว่าอย่างนั้นแล้วทั้งพ่อทั้งแม่จินรีบไปยกตะกร้าใหญ่ๆ ใ, ใส่เครื่องแต่งตัวทุกอย่างของเราที่เตรียมมาพร้อมให้เราแต่งแต่เราไม่ยอมแต่งโยมพ่อโยมแม่จึงขนเอาออกมาให้ท่านพระครูดูพร้อมกับกาเรียนท่านว่าท่านพระครูครับนี่นี่ไงเครื่องแต่งตัวนาคบัวเตรีย ม, มให้ลูกบวชแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างจัดไม่พร้อมบริบูรณ์มากมายมากกว่าคนอื่นอีก แต่นาคดัวมันไม่สนใจท่านพระครูจรึงสั่งว่าบอกให้มันมาเอาไปนุ่งเดี๋ยวนี้ได้บอกแล้วมันกลับพูดว่านุ่งอย่างนี้หรืออย่างนี้ใครจะมาจับพอมันว่าอย่างนั้นแล้วมันก็เดินหนีมันไม่สนใจเลยมันจริงเป็นอย่างนั้นแต่งตัวซาซ้อกว่าใครทรท่านพระครูพอฟังทราบเหตุผลแล้วก็กล่าวว่าเออเออไอ น, หนาคบัวนี้คนอย่างนี้ละ มันจะทรงพระศาสนาเอาละเข้าใจแล้วกูเห็นด้วยมันเป็นอัธยาใสยของตัวเองไม่ฟุ้งเฟอ้อดีมากเลยท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็หันหลังเดินกลับแสดงความดีใจยิ้มงย้มแจ่มใสกิริยาท่านเราก็ไม่ลืมแทนที่จะดุไม่ดุนะกลับชมเชยเรารักสงวนเนื้อหนังของตัวเองมาตั้งแต่เป็นครวาสถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้า หรือเป็นอะไรอะไรที่แม่ทอออกมานี้นุ่งหมดเลยไม่ไปซื้อให้เสียเงินเสียทองนี่เราพูดเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องรักสงวนเนื้อหนังของตัวเองของคนอื่นไม่เอามาใช้ไม่จําเป็นนะเราผลิตขึ้นได้เราใช้ของเราเองดีไม่ดีดีกว่าที่ซื้อเขาของที่ไปซื้อไปหามานี้เราไม่ค่อยสนใจ พวกเพื่อนฝูงเขาซื้อสุดโกโก้เกเกๆละ่ะเราไม่โก้เราเฉยๆเป็นอย่างนั้นละ่ะนิสัยของเราเป็นอย่างนี้มาตลอด